เป็นเสียงยังเราภาวนาให้เราลู้อยู่พาหากเราเขาจะใจตั้งใจฟังทั้งสีฟังทั้งสีดูใจอยู่ของด้วยใจเราก็สองรวมเพราะธรรมะไม่พูดให้ใจเป็นผู้ี่ว่าละเลย เเออนี่จะอธิบายให้ใจเป็นรูปใบคล้องใจให้ใจรวมทางนั้นเนี่อะมาลวดไดเยียงจะสมกว่าความเทศดีเล ย, ยจริงเข้าใจได้จริงคือใจมันร่วม เขาไม่ได้ยินไม่ใช่ก็ได้ยิ้มเคยๆใจเหมารวมยังว่าถึงเข้าใจทึงคิดในความรู้ธรรมะสิ่งใดทำให้ใจของเรารวมได้หรือเพียงจะกระตุ้นอยู่ได้ให้เข้าใจว่าธรรมะนั้นถูกก็มีใสยเราเราต้องตจำใจจำ เอาไปพิจารณาหรือเอาไประลึกความภาว น, นามันก็นจะรวมดังสีเได้เพลงนในฟังอยู่นี่เองนั่นอย่างเดียวฟังเพศฟังดีฟังจริงถ้ามาอย่างนั้นมันกับฟังดีจะไม่จริงฟังจริงจะไม่ดีฟังไม่ดีไม่จริง มันก็จะมีสิ่งอย่างนี้ฟางดีไม่กินเราเอาใจมาฟังเสียงเทศเข้าใจมวลนันดีแต่ว่าคิดบรวมมันบกูกริงใช่ราลา่าเพราะธรรมาสอนให้ใจร่วมมันฝันบรวม ผนที่สุดเมื่อยุทธเทศหากแกะถามคืนแบบเข้าใจไหมเราก็ทีว่าเขาพอเราจำได้แต่แ้าคิงใจไม่รวมจะเอาอะไรมาเข้าใจก็เลยเป็นแบบให่มันออกมาโยกเสียงท้ำเสียงเทศมันว่าได้เข้าดีเมื่อฟังอย่างนี้ก็เรียกว่า ได้ไรประโยชน์อันนี้สูงไม่มีมากมีอยากเอาฟังดีไม่จริงมันไม่สมบูรณ์แล้วฟังจริงไม่ดีเฟินว่าจังใจว่างเราฝันไปทำ ใ, ใจให้เราร่วมคนที่สุดจะรวมอะไรก็ดีหรือจะรวมอะไรก็ดีดคุมอยู่ยังสังรหลักหั่วมไม่ได้ ผลที่สุดทันเทียกแล้วหยุดผลที่สุดเราฟังใจรวมมันก็ได้แค่นั้นเราทีได้อุบายทำใจให้รวมลึกเจิงเข้าไปหรือแกงกว่านั้นเข้าไปมันก็ไม่ได้พอร้องเบาฟังพอพุ่งเจ็ดให้เขาใจสว่างว่างขวางนั่นอย่างหนึง่ง หายใจเนื่องละเอียดยิ่งกันไปนันยังเรื่งเรียกว่าถ้ำเป็นเขื่องน้ำนันยังเขาแปงนั้นถืออยู่ในสมัยยักสู่เขาว่าดถ้ำเป็นเขื่องน้ำไปเที่ยวเขาว่าอย่างนี้นั่นละ่ะเขาก็แปงเรื่องหาเราอันไปเรียกว่าแม้ก็เล่านําไป ตามเขาเปิพันําไปเที่ยวอันนี้กับธรรมเรียกว่าสอนให้เราสลาดเที่ยวคนขวา่าให้รู้ความขว้างให้รู้ละเอียดเลึกเึิงเราฝัเปิดคุณจะทําให้ใจร่วมเบาฟางซาก็าเรียกว่าฟังจริงจะไม่ดีมันบริขวบศีรษามาหลังได้โซ่เก้าฟังเสลส่ได้โซ่เก้า โบหิยิมกว่าเกา่าฟังไม่ดีไม่กินไว้คิดเล่นไปโซชเล่นกินเล่นมื่อเล่นไปพอให้คนเข็ดจบนั่นแหละว่าฟังไม่ดีทาไม่กินกว้ากับโบใจแล้วก็ใจกั บ, บโลวกไม่ดีไม่อไรอย่างย่างนะเนร่ะ ขันเล่าฟั่งบอดีมันหนักไปเลงเสียวเลยเพราะเมื่อเราวัดตั้งใจเล่าเหรียญสินเดินมือมองนั่นม่องนี้เรียกว่าใจเทียงถ้าลกคิดไปนอกจากวันเราอยู่ไปสาม ว, วัดสามว่าสามบ้านสามช่องใจใจแข็งแล้วใจว่ดได้ตั้งแล้วถ้าเรคิดลำขัน้นว่าเสดนานหรือบอดี เอาเก็บขวมแล้วทาของเก็บขวมหรือแข้งมันก็ใช้หนังก็อยูน่ะล่ะเสีนคู่มันแข้งมันขวมเราเสียน้ำเสีเสียมันใดมันเกิบว่าใดนั่นล่ะทาหากมันเทียงกัยังได้อยู่บ้างแต่มันน่าผูติมมันเหมือนอย่างนั้นนีล่ะเหตุนั่นียงว่าสองตั้งใจไหนมาเทียงคือยังเราตั้งคู่ตั้งตาเทียงใสีของวันไหนมัาติม ร่งจ่อฟังแล้วเบิ้งใจตัมันจิตนี่ธรรมะคือกับใจตัวคิดตัวนึกตัวว่าหรือใจตัวเห็นอยู่ว่าเบิ้งอยู่เสมอหากอันนี้มันถูกมันกับนี่แห้งหรือสว่างจยากถึหรือว่าถึงนั่นเรียกว่ามันถูกยังได้เก่ามาแล้วนั่นดังนั้นยังไหวจำํำ โมเมนมันสบายเราว่ะดีเลีวขันบ่เอาอุบายบชวนคือมันสว่างแล้วเย็นเจ้าไปที่จหน้ายูนิทมันกระบออยู่ห่ะมันกสว่างแล้วตั้อยู่นิทอะไรแต่มันเป็นอยู่นิลอะไรปฟามันชิมก็ะชิมเลยบ่ระลึกถึงใบชิมชิมให้มันสว่างแล้วมันรู้สึดตัวขึ้นมันกรบโบลูจะเคลียร์มันกระโบสว่างอะไร นี่ละเหตุนั้นย้งให้ภากัสสังไชฟังดังเตียนใจมานี้จะได้เข้าใจจะได้คุณครุษดังเสวะสัมมาเป็นของคุณครุษเตียนใจนั้นดังนั้นต่อไปนะโมตัสสะสาคะวะโตวะรักะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระมาตุสัมมาสัมพุทธัสสะจิตังเจตสิกัรูปังนิพพานิปิสัะิ กะได้เตสนาในศา ส, สนธรรมคำสอนของปัสมาวะสมขุติเจ้าผู้ท่านในสัรโรในรรมทั้งหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านพุทธบริสัตว์ทังหลายอยู่แด้สีผ้ากนันมีความเสียค ว, วามยันใส ในคั้สอนของพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าเต้มเตยมบริบูรณ์ในจิตกัณดานของตนตนจึงได้พากันมีเกตณาสัทธาวังเ่วยอยา่างฟังพระสัธรรมเทศนาได้พากันมาประชุมกันในสมสปาสลานี ได้าพาการสร้างใจการทาการบูชาคุณพระศาสนาใจเป็นตัวของตนด้วยอาิีกะบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาดีอย่างนี้ก่อน น, นว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากรรมมาว่าจอในอยิ่งใหญ่เตรียมเตรียมเงินในกิจัดสิดานของขวบทั้งหลายบริบุญอยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาดปลวกฟังภาษาธรรมเทศนาของ法师มาสัมผัสติดจั อ่นโอวัตคำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นของที่ว่าท่านพูดไปสารพัดสิ็นธรรมสมกับที่ว่าสัพเธสมมาอนัตตาติอย่างนี้สัพเพแปลว่าทั้งหลายหรือว่าทั้งปวง บ่ได้ว่าอันใดว่าทั่วกเลยธรรมมาของทั้งหลายทั้งปวงล่ะเป็นธรรมแปลว่ามันเป็นอนัตตาดังเจสันอธิบายในอนัตตาสัญญาว่าจักคุ้งอนัตาจักคุ้งแป่ตตา อนัตตามันเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือว่ามันไม่เก่ตัวตนวัชัตัวเล่าวัชัยตัวภัวัชัเป็นอันไดเป็นวแมนวัชัยเป็นตนใหม่ดินยาเสื่อใหม่วแมน คันหาว่าว่าคนตัดส้นใหม่โูเขาดินหยาคันหนามันบ่เหมืนอนัตตาและ่ะมันเป็นลูกเป็นตัวแต่ว่าถึงจะว่ามันเป็นก็ต า, ามโดยเล่าบริเวณที่จะหน้าบริเวรูหรือย่านก็เห็นว่ามันเป็นตัวแท้แต่มันเป็นอนัตตาอยู่ในธรรมาชาติ อย่างเสว่าจักขุงมนาจาอย่างนี้สาเล่าเนี่ยที่บังคับบ่าไห้มันเจ็บมันปวดเขาแก้ บ, บ่าไห้มันลุกมันโกลนนอกนั้นบ่าไห้มันเหนือยมันฟ้าวว่าไห้มันเกิดโรคเกิดไท้มันบังคับว่าไรเรียก นอกนั้นความเสียนของมันก็อยากให้แสงมันสว่างแงากมจ้าคับๆที่นั่นเลยอยากให้คับอยากให้เห็นละเอียดเช่นมองดูคนเข็มเล็กๆ ก, ก็อยากให้เห็นปลายไม้กิบเล็กๆ ก, ก็อยากให้จับสอดเขาได้มันกระพันบ่ละเอียดชซะบ่สว่างคับช้ะ มันเป็นอนัตตาลุงสารวัตรบอกว่าอะไรเป็นยึดตามสถาบของมันอย่างนั้นนอกนั้นท่านอยากจะกงลตาลูกอนานตาลูกทั้งหลายชิ้นที่ตาเห็นมันจะเป็นยังกันดูพวกเรากตาเราเป็นอนัตตาเหมือนกันเหตุนั้นอัตอนัตตาแปลปุบไม่เก็บตัวตนยังที่กอบท่านกอบ แปลเพืสอนพวกเราอนัตตาแปลว่าศูนย์เปล่านี่ก็ยีเชื่อกันทั้งก่อเป็นของศูนย์เปล่าอนัตตาเหตุนั่นอย่างเราเห็นลูกขันธ์ชาห์ ก, กว่ามันว่าแม่งของศูนย์เนอกก็บมีบนตาศิใสกันหระแกมือหนึ่งสนิทหรือดวงมงหนึ่ ง, ม, ง, งมันก็นเห็นสารพัดเป็นต้นใหม่เห็นทา่าเห็นดินเห็นหยาเห็นก้นสัสารพัด สาพร้อมพอมสบายขันตาอากว่ามันบ่เป็นอนาตาศูนเป้าเรามันก็บบ่มีบอนสิใสล่ะตาหอดมดตึงตัวบ่มีบอนสิใสมันเป็นตัวมันว่าเป็นของศูนเป้ามันหลดุดเต็มเลยนี่หากว่เห็นยังว่าได้นี่อยู่ในตาแล้วบ่เห็นนี่ยังได้ยู่เฉพาะหน้าและรอมตัว อันมันเห็นได้หลายมันก็นอยู่ตามสิ่งที่เราเห็นอยู่หะมันก็นอยู่บ่มาเห็นเรามาอยู่ในตาเราอย่างยังสั่นนั่นหลากาักจะว่าอานาจตาไปว่าศูนย์เปล่าแต่เราหักจาว่าเราได้เห็นได้เห็นว่านั่นอันนี่เราหกวายุติไกเท่านั้นแต่ส่วนอุตสิมันเห็นมันได้บุงศูนย์เปลวยังสั่นไม่ใช่ตัวตนอยู่อย่างสั่นเป็นขอมศูนย์ยุยเรื่อง โดยธรรมชาติมาอยู่อย่างนั้นยังว่าขันเล่าไม่พิกกันหาอย่างนี้เราก็เห็นว่าเป็นพวัติเห็นลูกนั่นลูกนี้หน่อยไงว่ากมีสวว่ากันไปการว่ากันไปเหมือนๆก็ว่าว่ากันนิ่งให้กันรู้มันบ่แมนว่าอยู่ใน ใ, นใจตัวให้สัวนั่นแหละลูกไรแกยตัวก็ บ, บ่สงบกันละวุ่นยิ่ยงสั่น หอมันว่าสงฆ์กับพระพุทธเจ้าเป็นเทศอีกนนหนึ่งว่าปุพพามาโทเป็นว่าสลับบุพชนเนี่ยบุพชนบุพน้ำทีสามัตย์ละเล่โร่ปังว่าอย่างนี้ปุพพ า, ามาโตมทโตแต่เมาปุพพะ เปรตวัดตนมันเมาเมาอย่างละชิตามสล่งสลังสละกัสระหรือสเลก็แบปรว่ดสระมันเมาสระชิต ม, มันตังอยู่เมาอยู่อย่างตังก็เครือกะเล่าคิดมันเป็ยนสะระอยู่นะคันว่ามันคิดว่าควายกะสละอวัวแล้วหง่อลอุลอก งาสะกดมันแล้วก็ว่าควายขันมมีสระเขาใส่เมื่อกี้ว่าควายหรือว่าข้อมันมีสระเขาใส่ ย, นนสใสยังได้ว่าควายลงใดขันว่าข้นยังเสี่กวดีกระจกข้อของเขามันกน็กตงง้อตงมีสะกดเหวี่ยวตัวงอกระจกตัวหน้าใส่เข้าไปก็ว่าข้นเนี่ยมันมีสระยงังเสียละคือว่าตัวข้อก็เหลี่ยงไปสระ โล ง, ง้ออตโนส ก, ก, กุศกิยาปัจฉะมันก็นมี้คืนึ่งสี่ล่ะแปลว่าอันนี้มันก็นมีสละคือหยุดสุกยางเข้าจังวาอยู่นั่นมันเนื่องจากมันมีสละวาสามสละมัน่นถึงเราบาริเลียนตัวสระก็ตามเรามีมากครสระละเรื่เลียนนั่นมันมี่ประจำโลกเราเกิดมามันหัดนี่อย่งสี่ โลกมันทังนี้สมุดว่าสาระกันในอย่างนี้นี่แหละจังว่าเมื่อมันมีสระวาโ ย, ย, ย้ได้ไก่ันวดาโยนันยูยังสัตวมันกับเมามันอยู่งนสารมาโทษเมาเมาสาระอาบุมีสูดได้ละนี่สระสาระเพราะมันรูเราซูนไปวาคืนเพราะมันรูล้วก็ซูนไปชีกลางสั่งเมาอย่างสาระปวสวงที่สาระ บ่หนี้แกงบ่หีสิสว่างจักเจร่าเม่ามืดเม่าวมาวมายุฮารหวานนนมมืดว่านนี่มมืดดีเพิ่มมืดเขียอีกตัวเพมมิ่มมดมวยเขียวอกมันรัสติวัวนตอนนี้เพิ่มสระซ้ำหักมืดมนแ ล, นลวนแ้วฝนบาแล้วันยังว่าดีไข่บาเพิ่มความมืดม่นของสาเขียอีกตัวาวา่ามันเพิ่มเขียอีกเกิ ปุพหะเพียงกนมันหนักเป็นมี้ทั้งสี่เหลีโลฟังให้ลบสละนี่เนี่ยมันยังขี้แก่นเนี่ ย, อยพอสาระมันเป็นอนาณาักษมันเป็นของสุ่มเปล่ามันเพียงแต่ว่าเหมืออยู่ซื่อๆ่ออมีได้เนี่มากินมาใสมาสอยมาอิม่มมาขี้เนี่ยมาไมีละมีแห้งเนี่ยนี่จะ เริมคํามสุขเข้าสับไอ้นดีเป็นทุขไอ้นี้ไหลเป็นทุขเนี่ยนี่ยพระองค์สอนไว้โดยย่อไอ้เล่าขู่จับบอลแก่กันง่ายๆมันมีวนนมีตัวพ่อสิริฟักฟันพ่อสิยกง้อนักแห่งดอกบอลมันขอมมันข้าไอ้มันเล่าหมึกม่อนอยู่เนี่ยวัยเรามี่ยเคิดเปัญญาลีเด้เนี่ยมันเป็นแค่เพียงเป็นสระสระ มันวาร์ถึงเป็นสระพัดมันยุสเพียนั่นล่ะมันว่นแมนเป็น่อนเป็นป่นเป็นขอนเป็นลักเป็นตอบเป็นใบเป็นหมาปอย่างมี้อ่ในมันวารหรอกข่ า, าหักเล่าเป็นผู้รักษาก็คือยังเฮาภาวนาไวบ้บโให้มันไปว่านาั่นแหละเรียกว่าลบมันเนี่ยมันยุสกับภาวนาจะเรียกว่าสารพัดเท่กันแต่ว่าวารยุสในสระเดียว ว่านมาเสวยวายุะ ส, ะสะละับ ส, สะลับสะลัมันก็เลยโยธนันล่ะพอมันว่แม่ของกิเลสคุดเด็กคนได้สาไปทางได้ยกได้ย่อย่ากล่าวแล้วเอาหนีให้มันสว่างมันว่นแม่เชื่อแกว่าเล่าเป็นผู้วาก อ, อยู่อันเดียวเรามันอยู่ใดถนั้นมันก็เรียกว่าสว่างคือมารายกายพุทโธแปลว่าสว่างเกิดแล้วพูโทธ ไา้ความสุขกล้าสบายเงียบเย็นแล้วเพราะมันสว่างนันมันเหียบมันหายเบาหสบายห้เบิกยบานนี่มันเป็นอย่างนี้นี่และเหตุนั้เนเรียกว่ามันเมาสลระมันเป็นผัวมันทำเมาของมัน พ่อปั่นกันก้าวหมอล่ามันเมามันล่ำขันมันมเมาหวังใส่แต่ปู้อ่นชื่นผู้อินมวนมันกระบบทนล่ำไปรอกมันกระฝันเม่าว่ามันล่ำใดว่ามันหละดีไปล่ะมันก็ะไปของมันชวนโบว์แจ๊กเน่แจ๊กเนยตรอดนกนูู้มดปูปีเช้นนกเขามันกระขันมือ มันก็เมาว่ามันงวนแล้วมันก็สิเกตสันหายมัวมันได้ยินเสียงนั่นงวนนะมันก็จับจะเป็นนกหึือก็จะเป็นสัตว์ที่มันห้องหลายๆนี่ยแะเพรมันจะค้นหาเม้านกมันมู่จับภาษาอย่งมันก็ยังเม้าเนี่ยเม้าสาระเห็นนั่นเสียงว่า ได้คําสอนพระองค์กล่าวไว้ว่าขันย่ำค้นเจียวเข่าแต่มันนีนกเขาตั้งตัวกระจังท่ากันขันกันคู่ว่าเขากู้เขากู้เขากู้ความคิมันเอากรุ๊กคู่กุกู่น่ะแกเพิินปันราไปแบบเขากูเขากลัวมันล า, า, า, า, า, า, า, าจังสั้นเขาค้นเห็ดค้นเจี่ยวนะแต่มันค้อนอยู่แล้ว มันมันว่าแมงของมันมันกะไรคู่อันคู่เขียนโมขี่มาแหน่งมันขินบ่อยมากขินคนนี้สุดเมื่อมามันกะไรสีไรสับไรจอดหนีบ่อยมากมันว่าสีมากินเข่ามันเมื่อคนเกี้ยวคนทาอย่างสัน ค้นกับฝันมัดขนคืนล่าหมดโหลดพี่เต้ต่อเครื่องยังจะได้กินอยู่ก็แต้เม็ดมันร้อนถ้าหาอันเป็นพวกเดินหมุนเดินสอกหากินเอาเขาไล่ไล่เขาว่าเขาตัวค้นฝนเอานีซะนี่ความที่มันคู่มันเห็นมันกลอนนั่นมันคู่มันเห็น ชนี่สุดเข่าของก้นมันก่อนของมัน่นว่าสิงผิดชนสุดเขาลหหไปเขาล้านดทธิสีที่เราใช้เเสี่ยงรีบ่ได้ี่ยดูรมุนน้ำปอกเสี่ยงหาเขี่กินเม็ดมันลนลเดียวกัไฟใหม่ก็มดสาอี่ยงนี่ชันใดสีใจของเราวาสมันกิบมันเนกมันเป็นกาสระมั่กับเป็นอนาตาตที่จังลก เขานกหยั่งมันห้องว่าเมนมันไม่ได้ห้องว่าเมนมันเป็นผู้วาเป็นของของมันไปยยนววนอย่างสิ่ะมันระบมแมนหย่างเช่นยางเป็นของอนาจาศูนย์เปล่ามดปะทัดใจหรืบาาาุญนี่ยังเอาไปนำใดเช่อย่างเดียวคนว่าใดของกับว่าไดเอาไปนํำหินมดนกนุกปูปีกก็ซื้อการหินมืดนี่ยังได้ว่า มันเป็นอนัตตายังว่าเชี่ยงนกห้องคนเก่ามาสินธรรมะเป็นเครื่องว่ามันบอกอนัตตาอะไรอย่างนี้อันเนี้ยตลอดถึนตนใหม่ผู้เขาละ ว, วาตนแดงตนเปลือยตนบาปตนย่างแมนเฮาลู่เฮาว่าเอาแมนสาระของเราเรารลู่เลาก็ ว, ว่าสาระขึ้นมา นล้นสุดเราก็ปัดเบิง้งว่ามันงามบอกงามอีกละ่ะใบรกขมกวางบอกกวางใบบูดกว่ามันไปแต่มันหันคือเยือยอมันเรบบ่หจักว่าหัวกับเลียกว่าจนย่างสับชื่อคือชื่ อ, อ, อ, อแต่ตัวปวดมันนี้ตัวตรีวาเหมือกนก็เพาะบอกกันคนหนึ่งเอา พูดนือพูดพนึนงกับฝันฟั่งว really! ่าก็ต้ํากันมั่นระวัเป็นเรงสัตย์ทันมั่นโดยื่อคืออยู่เล่าเลยเป็นเมาคัาเ้าเราอีกะหันเมาควงวาเราเมาเราเพกาะความเมของเราอ่ะส่วนย่างส่นอย่างเมาว่าแม่ตุหรีวาว่าแม่แม่ลกของเราของเรเมาขงเราจนที่สุดยังกล่าวแล้วส่วนย่างมันก็บอกว่ามันแมน ส่นย่ามันซื้อๆอยสนเก๋ซื้อๆอยถึงตัวคิดซื้อตัวออกปาเียมันก็ซื่อๆอยตัวออบเมาขับลูกของตเมากละอยู่ในไก่ของตัวทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ย่างรามันเป็นท่านเป็นเครื่องสอนถ้าจะว่าแล้วย่างส่วนใหม่างๆเิ็นต่นยางเป็นตนมันลแหงสงบความมันมั่งใหญิดมันหุซื่อๆอย บัดโววดดีใจโวผันวะมีสงบอี่อย่างฟุ่งซานอยู่ปัญญงความฟุ้งซ่านดูครับสกของเองคือทัดใจหามืดม่นอุนสการยูยังสล่ะแน่บัดมั่นดามันบวดีมาแล้นั่นจนไม่ดอกมันพันบวเห็นมันคิดอย่างให้มันหนุงให้มันมืดมันม่นบัดโววัดพ้นวดีวัสลาบครับเกิดม่มีบวดี สงบว่นนี้วสิอันเพียงสิ่งเยียงลงเลยนี่จะเท่ยไข่ไปตามถ้าคิดขกตัวเปงสันถ้าคิดไปหน้ามากันเรียกว่ามันเท่แล้วอะเรียกว่ามันหล่มไปหน้ามันไม่อยู่ในจูแล้วมันนี่จะลูกไก่ซื่อไก่อยู่หน้าสุดเรียกว่ามันเท่ไปเนี่ย คิดไปให้มันกลับไปอยู่ให้คิดไปถึง ม, กกมกะกิดมะเขือมันกลับไปอยู่กับ ม, กกมกะกิดมะเขือแค่ไปเนียงไปไปชั่วทิคิดไปหาลูกหาหลานอยู่บานไดเมืองผดมันกลับไปบ้านนั่นเมื่อลงแช่ไปเนียงไปสาบซื้อไม่ได้อยู่ในสุขเราก็ตัวก็เมายุงซันเราตัวได้ว่าเลือกว่าแม่ลูกตัวแท่หานตัวแท่ หยาบที่น้องโตแขกไว้ที่ล่ะเท่ไปชัวนี่เลวเห็ยเหดยังสั้นไม่ได้เรหันมาแจ้งใส่ใส่ไรฮะงันยังนาำจนุนข้นหรือจึนกวนดูแล้วหยาบยำนี่เราเฉะมันใสไรแจังไรเฉะมันมองเห็นเงาตัวขัดใส่เฉไดนนอกนั้นทีนนี่ยังไม่ได้น้ำให้ได้มันสเห็นได้ พราะมันนำคุณล่ะอันนี้ความรู้มันเสี่มอยู่ที่ไก่ยัมด้ขึ้นมาอยู่นั่นนะมันกับอกพูดคือหมายแล้วพอควาเมือกมันขับไว้ควเมามันขับไว้มันปิดไว้เนี่ยมันก็เลยว่าเห็นอย่างใดอะสิ่งนี้่ายยางโป่งนี่ฟาหลานเป็นนี่มันกับผมี่ึ้นมาไดลระเพราะไก่ตัวมันคุณเลือดของมัน อยู่มันเหงื่อเมันคิดส่วนมันอยู่เหมือนยังเล่าเขาเมือกว่าน้ำเราจินกว่าน้ำไห้มันคุ้นอยู่ยังไงมันกับเฮเทัคุ้นทั้งว่นเนี่ยวของกวนอันนี้ก็คือกันมันกับกวนมันทั้งคุ้นทั้งว่นนั่นแหละยัดเขามันเกิดง่ายเกิดความรู้มาจ้งใดๆบัว่าจังแค่เรียงเข้าสีฟาวนาให้มันเกิดความรู้้าละเอียดล่ะ เสร็งใเราไปศึกษาเราเลี้ยเลี้ยนย น, นักท่านกระซามเลี้ยนยังกระซางขัดใจรุ่นเลยเดี่ยวเทนั้นแหละยังแม้ก็สอบศกจะเป็นนักเลี้ยนเด็กกระศกจะเป็นนักเลี้ยนพระเนี่ยกระศกเพราใจมันรุ่นเดีวมันอยู่มันว่ดตั้งซ้อการศึกษาแล้วมันไปอยู่กับอันจริงศิษมันสอบวอกกระชิดอยู่พุดมันวาวใจใสความรู้แต่แพร่น่จยังว่าความ ตั้งใจบ่ได้แล้วา่าบ่ตั้งใจมึงมีประโยชน์จะหาได้ความรู้จะหาความสลราดถินด้วยให้มีความทุกขจังไงก็บ่ได้ไรประโยชน์เสียประโยชน์มดเหนั้นจังว่าพระองค์จังได้สอนยังว่าให้ใจตั้งเื่อใจตั้งถึงว่าเขาโรงเรียนยังพรงองวภา ว, าวานาไหมาอะ่ปะปัญญาปัญญา เปรู้เกิดจากภาวนานาเปโอะตัดภวนาเปโอะลว่าหาล้มให้มันเป็นรูปตั้งรือเป็นอันเดียวังว่าเป็นผู้ตัดหาลมออกหือละว่างเอลมออกว่างันนีนั่นละถ้ท่านได้สันจังสิว่าปัญญาอันภาวนาไม่ปัญญาปัญญาอักิได ถามว่าท่านหามาตั้งไดมันก็เกิดแล้วล่ะปัญญาดีบด่ดียางเป็นให้ชืวอเกษตสิส ท, ที่ทํานไมค้นเป็นบาปมันมีสองอุทธาจักรเกษตินหนึ่งวิจิจฉาเกสเกษตสิสหนึน่งมันอยู่ในส่วนมโมหะพวกโมหะจิต ความท่วาอุทษาปนเปิมว่ได้วจิตควาตัวบลูนั่นแหละบลูจักว่าตัวฟุงซันแล้วบมลูว่าตัวสงสัยนั่นละหรือว่าสงสัยกับโรูจะแก้ฟุงซันกับโมลูจะแก่นั่นแะอันนั้นคนเจีงว่าโมหามันบฉลาดงจะแก้มันฟุงซนีจงสั้นคิสรพัดโบยูว่าเศ้า รักเขามากป็นบ้าจังว่าเข้าภาวะคิดสุงมสานบ า, า, าราเตแก่เพื่อนพันว่าว่าเกตสิเป็นบรวิวารในกิจตัวกิตได้จตัวบุรุษงห า, หาตัวโมหะทหานอกจากนี้นิดคิดชาคล้อมสงสัยแอบแฝงสงสัยแะสงสัยยักกระตา สองใยในสูตรไดบัญญัติมันเริ่มตัววาจักแมนถืกว่าถือนู่นนี่กว่าดี หรือตัวอีกนั่นการสินของกระตอมอย่าว่าสงสัยทั้งหมดหนีหนึ่งถ้าสงสัยมันก็อยากรู้มันก็แน่นเหื่อยสุดมากผลยืนยัน ใช้ลฟ์เป็นบาปนี่หนึ่งเพราะเนื้อห้ยเสีว่าเจตสิกจิตที่สาิเจตสิกเดีในโมหาจิตนอครับปีนเหตุนี้เล่าสี่ปลายจิตให้มันดีมันเป็นจะไปเองสันเดียวเป็นจ้อุตจรใจฟุ้งซานและกับวิจิตสาจิ สงสัยไปตัวตัวแดงนั่นแหละเหตุ น, นั้นจังว่าให้เล่าเข้าใจซะว่านีสุ่งซ่านเมื่อวันที่หจอกเราว่าสัตว์จิงกันร้องวาอวิสาน ตัวโมโหเนี่ยเลยว่าไอซาทั้งนั้นละมันฟุ้งซานโมโหจักยังไงไอ้ซาไอ้ซาลอ้ซาว่ามันเขหาหะนจิตเราเปาลี่ยนไอ้ซาแหะขันโมโหจักว่าอุตจาริตฟุ้งซา น, ข, น, ออาาานขันมโจักอุตจาิ์คิตฟุ้งซ่านนันฟุ้งซ่านโมโจักซื้อมันอะรอุตจาร์ออุทจาร์ิตสั่งรู้เืียว่า ทัศจะสันลังคิดตังหมาทุกขังว่าราสเป็นสี่ก็ได้หรือใช่ว่าอุตจักรคิดตังคิดตาสันลังหมาทุกขงังสี่ก็ได้เพราะมันคุ้มซ้านมันเป็นทุกสันลังแต่ลูกศร น, นั่นตัวลูกศรพญามาตคือตัวคุงมซานนั่นแหละว่าในลูกศรของไผ่พยินปะพ่อมีก้นไหน ก็สัตใส่บ่แ ม, มนลูกศอนพญามาสก็เพื่อว่ากิเลสมารกิเลสแปลว่าความสมองความมืนมน่นของหใจนั่นละ่ะอย่างไรว่ามันแมนตรวจกิเลสริงสิล่ะสมาอันนี่ละ่ะมาเห็ดลูกศอนหน่งหัวมันเห็นผมยีสุดมันก็นมืดมนทันเแลวผลยีสุดไกาไก่มึนมันกับปิดปา ถึงวิจาวิิษากจังันวิจิตรสัมลังคิดต่างมหาสุขขังวางเสียวว่าให้มันโขขึ้นฐ่นะยัยวามมันดีหว่ามันชัวเพราะมันชัวอยู่แล้วคิดไปว่าดีอะไรังไงฉันว่าดีใส่ทับอยู่ผโต้ผโต้ดีับยิงสั่นเตมันเศ่าเศ่าแล้วเพราะเอาดีใส่มันบ่ดีเพราะปั่นกันกับ น้ำพัดมันพักข้าเราอยู่เราปิวัาิสบายสบายว่าไปเลยแม่ของปลายพัดน้ำมันค่าอยู่ในถี่นนั่นแหละมันก็ปวดอยู่หันแล้วว่าไปแล้วขันสากอยากให้มันหายปวดห้ยเจ็บปวดสบูอณ์่ออกแล้วเจ็บปดทนแล้วเลานบงอยู่นจนเอาน้าออกได้แหละไม่ใช่อยสีหายอันนี้ชั้นใดนั่นมันเป็นหลูกสอนพญามาเนี่ยน่ะสำลักเราสอนน่ะมันกียหัวมันอยู่เราเฉยมัน สว่างให้มันสบายให้มันมี่ความรู้ขึ้นมาไรยังไงมันทุกมันทับอยู่หลอกมันก็มี่เต็มือกม่อนนั่นแหละนี่เหตุนี่มูนี่กับก้อนจำเอาไปเป็นกันเที่ยงเมื่อของเลาเป็นปัญญาเ ก, ก, ก, กับกำกับเล่าเมื่อมันเป็นกับเราก็ต้องว่าอ ย, ย่างเต่านี่ให้มัน รูดซึกตัวกลืนนวลมัดซึกลูกสอนมันก็ว่าดูดซึบกระน้ำปักมันหักค่าแล้วแล้วก็มันกระสิบงมันออกยั่งน้ำปักข้างนอกตีเน่าเข้ากันยังเอาเมื่อเอากาเบิงบงออกมันกับมันกันอย่างนั้นนี่ล่ะท่าหากว่ามันไปข้างรักรักลูกเสียงคือังบ บอกใช้นมยิ่งสาวรักน้งเสี่ยมันก็่สบายเรากะวานี่มันก็เป็นตัวหนึ่งละหากบอกพ่อว่าเพิ่นบ่าว่าก้าว่าติดบ่าแต่หากนี่อยู่แ่างเขาว่าบ่ากามน้องเสี่ยแต่นี่อยู่นี่ล่ะเหตุนันเชียง่าเล่าหู่จักก็มันเป็นมันว่าสงบมันมืดมัวด้วยอุกอังเหล่าเราก็ว่าขึ้นแล้วมันคือสอนบุกสอนปิดแยงยาน่อยได้ไหม มันยังคอยเก็บถุกอ้างปวดมึนกินน้ำสั่สนแล้วก็ว่าอันสันทะสันลังจิตสังมาสุกขงังสันทะไปว่าความรักความรักน่มันเป็นลูกสอนเลยเราบว่าหลากัลกๆกวดีๆมันระเบ้อเนียนดีมันเป็นลูกศอนน่ะมันเกี่ยวของมัน ว่าไปกี่หูกี่ตาดอกกี่แค่กันตัวหัวใจบันตัวดีตั้งตัวหันเลยแตมัดที่เสพุ่นเราวันไดหั่นนี่ตาก็ดีหูกะดีมันก็ดีไปวันใดหรอมันหลบโบชักเทบที่ซ้ำเพราะใจมันคือหูกสถอนไฟเี้มันตึำหัวมันให้มันเทปมันปวดทุกคนมันึกไปวัดมันลบบ้า่าอยู่นีรื่องว่าขาหัน่ะ เรียกว่าถอนพวามว่าถอนหลูกถอนผิดพยายมมนว่าหลายมนุษย์จับมันก็ถอนมันก็มีแห้งวา่าบอสจ้องว่าดีใช่มันยขันมันดีจังว่าขันมันบดีว่าดีจังว่าคนคนโกงเห็นอย่งไรว่ามันแขงสั้นบอส้องเอาส่วนปกเอาดีปกส่วไหวเยอะสัตว์เอาดีปกส่วไหวเลยมันกับอะไรเหลียว เมันก็ว่าเฟินแบบสุกฟ้ามามยอนมามแล้วมันเป็นป้างหรือเบียงโซนเราว่รักษาบ่อหรือรักษาบ่นียาถูกนักเขามามันเกิดเป็นขนมันได้เป็นของชีวัดเป็นมามโซ่ซะแล้วกลัวว่าจะขายแล้วฮะเนี่ยถ้าว่าหมอยาจักรห่อมีแล้วแล้วต้องสายแน่ถึงแก่าสมัยใหม่นี่ก็อยับเราเห็นว่าอยากยั่งซะละหล่ะกันมันมามยอน ไม่รู้ว่ายังไงบัตรซับมันอเป็นนิวอันยงเชี่ยเขาก็ยังเอาออกได้ทีนี่บัตรห้ามามันย้อนเนี่ยเขายัางไงเฮ็ดบ่ได้มันเป็นอย่างนู้มันเป็นเครื่องดูดเอาหน้าไปเด้มันเป็นต้นของกําลังของอาหารเพราะเรากินอาหารเข้าไปอ่ะ มันก็เข้าไปอยู่ในลั่นไส้ไงอย่าง ก, กว่าพุ่งเพราะว่าหรือว่ากระเพาะอาหารมันเข้าไปอยู่ห่าร์บางท่ากินเหล่าแล้ ว, ลวนกินน้ําเข้าไปหรือเปล่าปัสสาวะไปยุบกันห่าร์เมื่อมันไปแทรกันเข่าแล้วเขากระองฟุหรืออาหารกระองฟูพุองพุองขึ้นละเมื่อมันพุองละที่มามันดูดได้ไหมมันดูดเอาน้ำนัน ทีนี่ไปมันเอาไปกลองละความมันอผ้าเอาไปกลองนวดกล่องหมายความว่ามันบังอยู่ซื้อล่ะมันไปมันกลับม้ามันกะไหวอยู่มันกะช่างวิ่งขึ้นวียงร่องวิ่งใต้วิ่งขวาของมันอยู่ห่าละโยนน้ำมันละเอียดยังทิ่มมันหมักหัวใจดูเอาน้ำนั้นแต่ว่ามันเป็นเหลือด้วยเหรอ มันว่ามันเป็นน้ำยุ่ยดยย่างที่ต้องกินเข้าไปแล้วย่างเป็นย่างเดิมมั่นแล้วมั่นไปเป็นเลือดแล้วมั่นก็เลยน้ำเลือดปากค่อยใจก็เลยเป็นสูบก็ไปดื่มไม่ใช่เหรอแสดงนนี้ถาก้นเป็นโมหาข้นสุ่มหลงหืนมดม น, น้ำนี้บ่แดง เป็นแังนย่างน้ำหลั่งเลือดเลือหมากวใจญ่ามาในเ ด, ดิมน้ำอย่างนี้แล้วมันก็เลยไม่มีกำลังมันก็เลยหมึดม่อถ้าผู้ใดเป็นผู้นี้เกยเปิดหานา้ำอันนี้มันดูเราไปจากาม้ำอ่ะมันเกิดเป็นนา้าเป็นเป็นก้อนนี่เป็นน้ำเลือดดา ว่าม่นแดงเป็นก้อนให้ผู้โกรธผู้หายนั่นเจ็บปวดจนว่านาดดำตาแดงไปชัวติดีชัวแด่นัวน้ำตาออกกระป๋านมันเอาเขาพ่อพอพอรักเืียมันเป็นก้อนมันดื่มเข้าไปว่าได้มนคข้ยใจถึงดื่มไปกระเด็สีปเล็กน้อยมันเผาความโกรธมันเผาห้ น้ำนี่เป็นก้อนเลียดดำลอยมันเป็นก้อนเบนซีเจ้นี่้าหากว่าใจนั่นประกอบไปด้วยคำนักน้ำเลียดนั่นใสแต่หากว่าใสดำบอสใสละเอียดใสแดี่ยงกิงง้าใจดีนะ่ละน้ำเรื่องหัวใจยังไปสี่เดงละเอียดเข้มดีน้ำ อันหนักหัวใจมันดูด่อไปดื่มมันก็ยังไปเบิกบานเป็นสุกเพราน้ำละเอียดมันดูดไปจากน้ำนี่ล่ะน้านี่ล่ะเป็นตัวการตัวเขี่ยวตัวตรงไห่มันสุกไข่มันดีมันชัวมันอยู่กับน้ำกับน้าเนี่ละเมื่อหากว่ามากหัใจได้ดื่มแล้วสัตว์ไหวอยู่กันล่ะมันถึงดูดเอาไปอีกแล่ะ มาเข้าใจกับไข่ไปให้มันไปเลี้ยงตับตับกับเดิมอีกละแล้วก็ไหวเป็นเครื่อง้องอันอีกอยู่นั่นละ่ะมันก็เลยตรงไปหาปอดไปหาบรลลมนี่ละเมื่อหากปอดพูมันไหวเอารอมมันก็ไหวอยู่แล้วมันก็เดิมอีกมันจึงตรงไปหาไตไตเป็นตัวการอีกละ ตัวกันให้มันอันนำเสียให้มันส่งมันส่งมาเป็นน้าเงาแล้วส่งเสียน้าเงียวทาน้ำไหนมันบริสันเสียมันฟันชงกลับขึ้นไปเรียงร่างกายหรือแบบหาใจไปหาม่านอีกเปล่าไปกันกันอีกถึงสามครั้งวนเลี้ยนดื่มอยู่น้ำน้ำเจีงเสียจีงคนออกมาเป็นน้ำเงา และมาเปลี่ยนนำเมียวแลิวมาเป็นนำ น, นำหมวกนำร่ายไปหอนะเนี่ยไปสาเบืองอันที่มันเสียนี่มันเป็นยังสิยังว่าเชื่อมจับจนในเล่ามันเป็นอยู่ยังสิยังว่าขันหากเล่าบ่ดีเราเร่ารักใจความรูกหรือใจเล่าบ่ดีเราเกิดเสียหายพ่อปันกันก็ว่าว่าโรคของแทบุตรเทวดา ภาคกันเมาแต่เพิ่นสะดวกด้วยส้มดอกไม้แล้วรั่งรับมีอย่างโยยังเขียนรลบเทวดามีแต่ฝรั่งมันมีอยู่ซื้อคันเริ่มกินเข้าแ ล, ลวนน้วหลุดนะครับสุดสีดหลดตายหลุดพอมันมั่งมีได้ดืมพอเริ่มเลืกดืด้อตะนันเหลียวมันเป็นแค่เลือดืดดด้มื่อสี่หล่ะเมื่อมันหักเริ่มเมล่วเวล่าไปหลุดเดขึ้นได้กับมัเป็นกำลังให้ ผลที่ซืก็จุติเรียกตายชั้นใดดวงใจของเราเป็นสิงสัญลักเนี่ยคันตาหากว่าความคิดเราพอดีหรอเกิดเป็นเรื่องของหัวใจโดเป็นเรื่องของควสบายเราคือมาโลดนไม่เป็นสิเศษนี้นจะว่าเรารักษาใจให้มันดีเสียดีกว่าจังว่าเราต้องภาวนาดังกล่าวแล้วเบื้งใจของเราเห็นว่าใจของเราไปรักแล้วก็ว่า สิว่าการมั่นนังเก่าหรือสิว่าว่าอันสิว่าอันฉันทะคิดตังใช่ไหันทะแปลว่าใค่ฉันทะอันันทะอันสันลั่งคิดตมหาสุกขังอ้าวใจนี่มันโง่แล้วหรมันเป็นโมหะห้อมันลด หายลูกส่วนมานเกิดขึ้นกี่หัวมันแลหละหายเกาอกอังอยู่งยากผ่อนผ่อนเลยเนี่ยมันเกิดลูกส่วนมานด้วยเนี่ยคือกิเลสละมั้งเพราะอันนี้เป็นในสี่วิคิเลสด้วยสันทานเนี่ยถ้ามันเป็นลูกส่วมานด้วยมันก็ะและเอานึกขึ้นมันก็ะและเป็นเขี่ยงกีมม่มันเกียบมันหามันเก็บมันปวดว่าเขา หลบล่องใจว่ามแม่นแค่มากายว่ะเราก็สบายขึ้นใจนําเบี้ยหายใจแล้วก็ใสขึ้นคนแล้วก็เกิดใสทำให้เราสบายหละเนี่เนี่ยนี่ล่ะมันหลดมีดไพ่ยอยู่ในตัวเราองศ์ละพระพุทธเจ้าผลรัวผลว่างไวในอาชีทพทำผลว่างไวเหตุนี่เราว่าเราอยู่ซื่ อ, อ, อดอกว่าได้เห็ุหนังมันจะาว่าสบาย มันกระบอเห็ุจังเสือสูกร่างกายนี้ว่าจานี้บัดใจมันเบาเศ้าเหตุดอกมันเบอยืดยือยั้งระว่าดอกสารพัดมันจิดวายยุ่งอะไรเคร่งลักเื่งสรําเขามาไซกันย่หันเอากันย่หันนี่ละันสามัน้งหรือมันให้แล้วกว่าพยาปะทะสันล่ำจิตสังมาจุขังพยาปะทะแต่ควบมห้หรือก้อนสร้างอันเดียวกัน ให้กับเป็นผู้บอยากรูกอยากเห็นสั้งกับว่าอยากรูกอยากเห็นมันต่างแต่ซืออันหนึ่งมันแห้งใหอันนี้สรงกับบอกแห้งอาบแม่นอันเดียวกันว่าอยากเห็นเบื่อห น, น่ายบ่อยกากแต่มันเกิดมันนี่นี่ะใจของเคิดยังเี่มากเกิดเมืเ่อถึงมาอีกอ่ะ ชนที่สุดทามันใหามันก็จเชียงรายแล้วล่ะน้ำเล็กเป็นก้อนดำขึ้นเป็นหนักตอนเรียกขึ้นน้ำหัวใจมันก็ดูดข้าไปก็อีก่อลอวนี้ไปเลียงมันกับนี่เต็มวุ้จะอ้างนี่จะบีบกัน น, น, นี่ันแมนเขาจชัยนละเนี่เฮตุนี่เล่าเพราะว่าเล่าหลักเล่า เ่าระมือจักเลี่ยงรักเราปล่อยให้พวกนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอแล้วเสว่ารักจังไหนฮะเนี่ยมันแมนปัสสุรายเจ้าของอยู่เมื่อวันยังคําตัวเดียเบีดยดเบียนเจ้าของอยู่เมืวันยังคําหตุนั้นเมื่อมันเบียดเบีนบบยนเจ้าของเรายัางบะแล้วยังเบีดบยดเบียนผู้อื่นอีกเหตนั้นจังว่าพูดถึงเสว่า ตามคน้นสางนี่รักจนได้กันความว่าได้เหมือนันจังนีความสุขแค่กินหรูได้เจ็ทุกผู้ใต้ก็ทุกพ่อผู้ใต้ผู้ยิ่งก็ทุกพ่อผู้ยิ่งจนที่จุดเกิดนี่ท้องแห้งทุกไงเนี่ยสร้างสเราว่าได้ได้หรอไปเอาทุกควาแมนของดีว่าได้มาที่แมนได้ว่าค้นสลดัดจังไงจังสรรเือกว่างอที่เั็ส เมื่อดมดอนสการ์ไม่ได้เสี่ยบูจัดดีจักชัวลยได้เสี่ยนม่เห็ุ น, นั้นจังไ้วะเข้าวารักมั น, มน เ, เป็นแอนดอกพระองค์ว่าเป็นเป็นตัวพยาบาททีเดีวตัวอิศาตัวพยาบาทตัวปองลายปัสสุราชกันและกันขาสัตย์ก็ยังบาปบาด นี่ขอ บ, บ, ต, บอขตัวกันจนว่าผู้หญิงก็ตายก็นี้เอ้าวผู้ใต้เพี้นขาตัวก็หลงจนตัวตายเลยบ๊อบวิโสตเลยค่ะเนี่ยพอตัวหลงเหยผู้ใต้มีโสดกับผู้นีแต่มันนี่พระองค์จะได้ว่าพระองค์กับนางสิม้าว่ากลับ ม, มาปัน้นถูว่ารักมันว่าแมนตัวเลยรักโลกเขาเพราะว่าว่ามันแมนโลุดไปเลยเป็นกลับไงไป้จกนรก ไปกับนาไปเป็นเพจเป็นผีไปกับนาส่วนกิพน์อยากนาลกจยากเพจอยากผีว่าเป็นคนขึ้นอีกหลายาศาสหลายพบเพราะมันเป็นกรรมรกับหน้าหนั่งก็เป็นกรรมกับเล่าเป็นว่าฉันขี้เนี่ยนะเล่าก็บจงพี่จะน่าเอานาะทอความเที่ยวพระองค์สนหนีว่าฉันขี่เราเล่าก็จิว่ามันจะดีอยู่ให้กันแก้วอันสัญชาสัญลัง กิมหัวเจ้าขอมคิดต่างทุกขังอยู่ทังที่หรือว่ากามาสะ น, นั่งความรักมันเป็นกามมันเป็นหลุดสันพญามาติกิมหอวเจ้าของอยู่ทังที่งั่นแหละว่าสิรักกะเอาใจเหตุนันเถอะขยับหลักโดยสุขอยู่ทั้ง ส, สันว่ามันรักอะเอาซะเศษใสมันทางพมได้สุกแหลาใหญ้มีงานอาทิญญาณเกศโอยงุตย์ไสว่างเห็นใจไผ่ก็ไผเห็นใจหอดสัดเห็น อดเที่ยววุ้นเที่ยวลามันเพเกิดแล้วเพราะถูกมันทับโยมันจิดไว้หรือสิทิคิดประเสริัญญาณใจใจนั้นมันเป็นตาติดขึ้นมาไอ้ฟั่งเสียงเศรษฐรัตน์โลกสวรรค์มนุษย์พูดแตยิงียบโยวายังสัยมันก็เ่าเกิดขึ้นแล้วเพราะถุกมันทับเพราะอันบัตรถูกสอนมาสี่มันโยเนี่ย ยังเสษเป็นจักทิพประจักยุ่งยานเห็นเทวบุตรเทวาดายังเห่ามึนกายเห็นนี่มันกับว่าได้แล้วเห็นกันได้กันเนี่ยมันกับว่าได้แล้วนอกจากจิเป็นแต่เพียงว่าสิตเป็นว่าอิทธิวิธีงานเพิ่งซักลูกเปียปแบบเหมือนกับว่าบุคคอนผูกสักใส่เงาป้องมันมีใส่อยู่ในอย่างออกมากหามันหลายอัน เช่นว่าเราอยากไปหลา ย, ลายมันอันเสีเ ง, งายาปองเราจัดกระพร่องมาแล้วเอาไม้หน่อยๆแปรๆเรือกเอาบีดหรือหลัจ ง, งาาจากสีแง่ก็ไปสะก้อ น, อนมันทะลูุทั้งพุน่นหลังแงอีกเดียมหนึง่งมันเป็นซีเราเอาไม้แดกออกมดนวนมันก็นเป็นสีใช้ย า, าปองเป็นซีกีบหลด สันใด้พันว่าอิทธิวิทยงานพับพุเจ้าแลหรือเปลี่ยเกลเนว่อได้สาเร็จงานแล้วเป็นมโนมยิทธิยานแล้วแล้วก็ทัางที่ว่าเป็นอิทธิวิทย์งานท่านเนึกอันริดออกจากใจงั้นยังพยจุลบรรโกนึกใจของท่านนั่นเดียวเนืก้ออกไป ให้ได้เป็นไฟจุลปัจจุบันพันโงคงได้ไงยังเช่ล่านั่นละมันกระหากเป็ยนเยอะยังเราคิดยังเชื่มันออกจากใจอันเดียวแล้วมันไปเป็นลูกสัอันคิดพัญมาอานกินว่าเจ้าของยังมั่นล่ะมันมันออกจากใจมันกระนี่ยอะมันหักบอแมนพอเราแกบความ รักความโกรธความเกลียดว่าไรมันเรียกเป็นกิเลสท่านเนี่ยถ้าเราแก่ได้มันก็ยังสิเป็นอิถีวิธียามขึ้นมาได้มันเป็นสมาธิมันใสมันเงียบมันเย็นมันยังกิเลสมันไดเหตุนั้นมันนอกมันอิจาอันเป็นวัชบิดขึ้นจากใจนี่แหละนึกขึ้นจากใจย่างพระพุทธเจ้าหรือใครทำบุญกันลาบเพิมหออะไรเมื่อ้นเพิ่นึกขึ้นได้ใจ ทำานนที่ใหในระวามาโรมาเยี่ยยางัวลิ้นเกิดขึ้นจากใจด้วยใจที่กำลังแล้วเห็นนั่นถ้าพผู้เสงที่ใจญ่มีกำลังยางเสียเฮาได้เล่าลกันโยลึกเหมือนกันโยว่าผียางเจ็ผู้โม่นี่ะผู้เสิรกวางเนี่ย เขาไปเอาให้นงินผีแล้วพันไปรกอรอไก่น้าพันไปกรอนลกอน้าเอาแล้วพันว่าเฝ้าหนีวัดอีซาตัวแกงพันไปอยู่ในถ้ำคุยกันถึงสีว่าไปจิจับบ้านหันเห้ายสวนอ่อยอยิงยังเห็ุหน้าว่าพันไปแค่กินมัดเก็ดแล้วล่ะเห็ดว่าใดล่ะอันจะกรอ น, น, นแต่พวกคนหนิดนท่านแก่คนะเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนวิญยาณ ก้อนหินหักลงมาทับเขาก้อนหินําหักกมันได้ทีเดียวเนลยหักไม่ไมเขาไปสอบเบิ้งเกจสอบแถลมันว่ะมันหักทั้งเส้นมันหักต ง, งกัสอบเบิ้งกับเก็จสอบไปถึงทั้งหนอกอทั้งบน ม, มันเลยทั้งมดุดไม่ทําตัวกบมันเป็นสัตวพุ่ ก้อนหินมันบรแมนของสิหักไปยังไงกาลังเฮาฟุมี่ร่างกายยุ่นเนี่ยหักบ้านบรหักตัวเหลวบาดกาลังกิจมันหักดับมันจักว่าสีที่โัวเราหักมันตัวเดียวประเห็์ปรจักเล้วหักด้วยับวัดความจิอยู่ในถ้ำทั้งไก่ทั้งบกคอเราจิตหันเลยเท่าปัญญีลราละงัดออกว่าอะไรหรมันไงโพดทังที่ล่ะ นี่ละ่ะยังว่าจิตมันกําลังจิตเท่ากว่ากันอยู่แล้วว่ามันอยู่เหนือได้เสมอว่ามีในในอะไดจิตตั้มว่ามีจิตจิตํา้มก็สิ้นใดสูงกว่าชิดด้นใดเสมอมีอำนาจมากกว่าชิดด้นใดเสมอโลวกว่าปันอยู่แล้วเัง น, นั้นขันเท่ า, าพี่จะหน้าเบิงมย่างจีว่าเหินเขามาเหตุทางโลกคุณ โว้ยมันกับหินภูเขาเลอ <_ d ata> เขายังไปเอาระเบิดเขายังไปบดไปโมโอเอามาเห็ด้ารถหลัดยางสรารพัดได้จนมดทุกเป็นน้อยๆไปแล้วละ่ะเนี่ยแลาวานแมนอำนาจของิเ็ดเที่เอาหยังมาเห็ดเมนเอาล่งโม่เระเบิดเ็ดมาเห็ดบเหม็นยงเ็ดรบระเบิดละะเลยลงโมไม่แมนเร่ยกิต มันอยู่เหนือยิ่งสี่งอ่ะสายไปแล้วมันกป็นเหนือสงสารมันว่รแมนมันจิวอรดับด้วยมันยังเหนืออยู่นี่ล่ะสาหากเล้เป็นผู้ฟอกของมันอันจะหนิมันถือเป็นความรักและความโกรธความมงอห็อห้อนนันนี่ยัางออกใดี่หลีแล้วมันกับนี่อำนาจที่หลีอยังพระพุทธเจ้าและฟาลันพรเจ้าเพื่อนหอใดแล้วกั อย่นเป็นวาของอวัยวะสัตว์แน่นอกมนั้นยังไปทำเป็นนักบินไอคอนทำหนกหัวได้แต่ ด, ด้วยใจคิดเดิคิดแต่หากว่าบริจักเข็ดในจกคือพอพูดในเจ้าแล้วพอหลานในเจ้าอันนี้เป็น เ, เน็ตในเพินแลวบรคขัดของไปได้บอฟนี่ยังขัดอันเป็นอันตราดเนี่ยส่วนปเป็ดนอกอวัวมันแข็งงอ น, นเป็นอันตราด ยางเสีนักบินนังเียกับทุกปีหรืออยักทุกปีโดยเนินว่ามันอากาศเปลือดไปส้นกันนักบินออกประเทศน อ, อกไปส้นภูเขาบ้างตายนับเป็นๆผลเอกคน ล, ละละเนี่ย น, น้องมาเครื่องเพ่ตกตายเนี่ยนังสี่ละขอมมันอยู่นอกมันเป็นนานตาบังคับมันเพะได้ ถามันอยู่ในตัวเราเออมันก็บังคับได้แะเนี่ยพระองค์พอเห็นมันโดนอย่างพระอรหันต์เอพระโมกข์ก็ล่าไปกี่ไรกี่ไรก็บอเห็นว่ามี่าโดนอย่างได้รับทุกับลอดอจนเาเป็นเมื่อตีก็เห็นนี่เน่เรามาคิดบางอยงเจเรากลมี่วัดมี่อยู่เราขันมันมามีอยู่ทําไมมันเห็นทาหนอกไม่หรอกมันตั้งมี่อยู่เชื่องคนไกเชียงสิจะท๊อปหอใด มันหากเหตุเปล่นปาดเหตุได้เนี่ยบัดไปเหตุนอกประเทตุเปลนไปได้นี่ล่ะเหตุนั้นจังว่ามันสําเร็จด้วยเกยทั้งหมดมันว่ามันไปสําเร็จด้วยสิ่งอื่นมันมันเปลี่นขึ้นไหนมันสําเร็จเองมันเป็นด้วยเกยเหตุสาเร็จเมื่อมันเป็นอย่างนี้เล่าจงพอกขนไก่ห่อให้มันใสให้มันแก่ มันที่เป็นกิเลสตลอดแม้ว่าเขาเห็ุแล้วพระพุทธเจ้าพระรหันได้เจ้าเป็นเหตุหมน่ะเขากับกิได้พอเป็นอย่างเหตุได้เป็นกัเป็นคนคือเข้านี่ทาเจ้าถึงความเหมืดม่นอนพระองค์แห่งสิเหมือนม่อนกว่เาเข้าเห็นนั้นอย่างกว่าเขา้าเป็นผู้ชายมีครอบครัวหรือมียผู้เดี้ยงกับพ่อแล้วพระพุทธยิ่งกับอย่างนั้น บาทาวอเงวันทั้งมหิสีทั้งนั่งลักจมูกเนี้ยเพิ่นหลุดตะเมือนหกพันือสิเมื่อพอเท้าตัวยังเอาหลายกระดอกกระเดียบปันนั้นปันเท้าหรอใดทูเดียวก็พ่อนี่ปันนั้นเพิ่นก็นยังทำให้เพิ่นแกนได้ให้เพิ่นหัอเหินเรอนาสาใจเห็นกิจเทวุเทวดาจัดตรกอีกย่งจบุได้มาให้กี่เนก็ไปรู้ได้เ็ปมัดัวสอ เนี่ยทนกาอสศฟอกเอาเงี้ยสีเหลี่ยวทนกาอสศเป็นผู้ทะมั่นเอ า, อางูสีเหลี่ยวคัดเก่าเอาด้วยอุบายปัญห า, า, างูสีเหลี่ยวให้มันใสให้มันเคี่ยงเนี่ยของจะได้คึกพัดของนั่นสมใสสมมีมัน่นเนี่ยเขาพัดในเงี้ยที่กับเมื่อใช้กบดีวีเราใบตองเขาผูไปว่าเศร้าก็นอนเกิดมีรัตนีที่มัน่นถึงเนเขียมเภาเภาห ถึงสั่นแหละจับเส้นเล็กเป็นช่องเพื่อกันถ้าเราพัดใช้ามากเข้าไปแล้วก็เกิดเหลี่ยมเกิดใส่เข่าๆขึ้นจับไ่้อย่างดูเอาเนี่ยเขาจะวางเขามืออันนี้หรือว่าหากว่าลราเตรียมมือดีก็เอาเข้าเอาท่อมาจิกหรือนำท่อมนําที่ท่อมมาจิกท่าอันันครับส่ยืดข่าเดี่ยวดํา บาดเอาเมื่อพัดให้มันใสเราเราพัดดุดใสยัวเท่าเป็นปีๆเนี่ยมันผัดพ่อตั้งแต่ไม่มันก็ยังว่ามีดปลั๊กเสือหมีมีดเหลี่ยมมีผ้าอุ้งบาดคว้าไก่เล่าสิบ่อพัดมันสีบ่มีเหลี่ยมจังไดเนี่ยมันกระจองเหลี่ยมมันกระจอมใสมันกระจอมงี่ย่านถึงมากเนี่ยเมร่าเหตุนั้นจังว่าให้ผ้ากันตั้งไก่พ่อ บนดีมันอยู่บ่นนีล่ะจนพระพุทธเจ้าคนไก่เื้อวาพุทธลัตตานั่งสมาลัตตานังสังฆลัตตานั่ ง, งละตะังละตตานังมันอย่างไยแกวแ้วเผินเราวะพระพุทธประทบประโมเป็นแกว้วบัณฑบาญเผินเอาแกว้วสิ้นสีมันใสมันมีเงาย่างกระจกมองดูเงาของเสีย เหวแวนมั่วดูเงาน่ะมันใสยังเห็นเงาเห่ากับจัดกเขาในพวกแก้วแล่วพวกเนี้ยชันใดเอามาเรียบใส้ใจเหามันเป็นของนีเงาขันผัดมันได้เป็นของนีอันเห็นแก้มขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นกระจกที่มันมีเงาแว่นมันมีเงากระาผ่าหากความ เล่าไงหนามันไว้ขีบุ้นมันปิวมาบัเห่ากับบเห็นดอกเฟิรนว่าละอองเหากับวะอวาละอองในําสอนเฟิรนพระพุทธเจ้าเพิรนว่าอัมพโอกาของที่ปีวมาบัเห็นมามาจกเตะมากระจกให้มันหืึอมันมั่วแล้วแหนนึงเสียหรือเห่าเนี่ยนภัทรดีดีนึงเสียให้มันเห็นมองมองขึ้นเป็นกองดินขึ้นเป็นเพรให้เห็นใสของ กระดานเท้าผัดเจ้าเสียดเิ่านว่าอัมพโอ ก, กาศปะพุทธเจ้าทั้งเท้าวาระอองเนี่ยขันหักมันจักรคอไหลายก็ยังมืดได้ขันผัดนันยังขีแกงได้แน่นอกนั้นเสือพลาชิดก็ตามจะแก้งถึงขนาดนั้นจนว่ามันพองขึ้นแล้วสว่างเป็นมืนโลกบัดขีดฟ่าเบื้อนี้ตัววิกรเนี่ย เป็นยัง่อนไฟจับเคอยร่ายคิดมันกรมือนี่อันนี้ก็คิดลักคิดสร้งเฮามันก็เป็นเหมือนกับสีฟา้าคิดความสว่างเก๋แล้หอยมันมือเห็นนั้นเพลินจังไห้เลาพอกออกเก๋แล้วจัแกได้แก้มย่งางทาสีฟา้าหรือเมฆไหลออกจากตะวันให้มันแก้มอย่างนั้นนี่ถ้าเจ้าว่าแล้วจะแสงสว่างแก้มแตแก้มซีดๆดอก แกงหมีรูอย่างอ่ะบาดใจเราพัรูมันยิ่งยิ่งแกงกวาะวั่นสนิแก้วกวแสงวั่นสนมันรูมันแกงกว่าเห็นนี่เล่าฟอกให้มากมันกลายแกงขึ้นมากขนาดละมันที่ท่อนฟอกไปได้จีท่อนคัดได้จีแตวฟอกไม่ก็ยังเป็นสีเป็นมั่นถึงยังวาเลยนี่ฟอกหัวใจมันของมันแกงสองใสอยู่แล้วมันก็ยแกงแกงแหงใสขึ้นกว่าชิ้นข้างหลังนี่สแล้วเป็นยังว่า พุทธาราตนั่งว่ากันแก้วหม้อไก่มันใสก็แก้วเลยไหมเฟินเอามาเสียบซื้อหรอกพราะเอามาเสียบกันได้เพราะแก้วมันใสเสียบใช้ไก่น่ะธรรมารตนั่งสั่งคารตะนั่งเนี่ยเฟินเอามาเป็นเครื่องเปียบไม่ใช่ใจมันเป็นแก้วเป็นพุทธพุธประทัประสงค์ไม่ใช่อย่างนั้นไก่มันก็เป็นไก่ยุ่เนี่ยเป็นพุทธะยุ่นธรรมดาว่าลูกอยู่นธรรมดานี่ละ่ะเนี่ย นี่ละเหตุนั้นเราจะให้พาะกันพิจารณาจะให้สังเกตทำให้มันแก้งยับไ ป, ปอยมันขมให้มันมง่า ห, ห, ห, หมองสัน้นนี่เมื่อหากคำได้อย่างนี้ก็ดังคำสอนพระองค์ทันหวันอภิธรรมได้เหัวใจสำกินิยยกเป็นด้วเอกษ า, ษาว่าคิสังเกตชิกรรโลกฟังนิบารนะ์มีสิสะานหัใจอภิธรรมนะเนว่า เราวาจังไละแล้วฮะเนี่ยหัวใจไปท่ํำซื่อว่าคิดต่างว่าจังเละแล้วฮยมันว่ามันเจอหนังสือได้เป็นนี่คิดนี่เหนนี่คิดนีด่รู้มันแมนอยู่ในค้นอยู่ในเฮ้าเนี่ยแมันกเกยเฮ้านี้เป็นอภิท่ำอันใหญ่อภิแปลว่ายิ่งอภิแปลว่าสูงธรรมะธรรมะอันสูงธรรมะอันยิง ถ้มาอันสุกขุมลุ่มลึกกว่าเซนต์กิสเซียวอัปติถ้ำเนี่ยเห็นไหมจังว่ามันแมนใจเล้าเป็นตัวสุกขุมลุ่มลึกเป็นตัวไกเล้าเป็นของยินองแม่นไกเล้าเป็นของสูงมันเราว่าแมนอยู่บ้านอื่นนะที่ถำแมนใก่เล้าหนีเพื่นบอกไปแล้วคิดตังค์มันว่าเด้บอกว่าตดนใหม่ตังค์บพราว่านี่ปรได้ว่า กันเพชรดินสั่งพวกเขาตั่งล้วไปเห็นว่าเนี่ยว่าจิ้จิ้มันก็นังค้นันแล้วคนอกกตริย์มันกระโมีสิรูแล้วพราะจะดูหาจินมันเยื้องนลูจักทุกจักร่อนมันฉลาจิ้ค้นนี่ละรูปังอ้าวรูปปังกับรูปแล้วก็คือตัวเราปุ๊ีรูปนั่งกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยมันว่ามันรูปกัตากระบุงรูปเพชดินเป็นดอนรูปพ่นรูปผู้ยังดอก ลูกเข้างีลาลูกปังยังมาคิดตังเกตสิจังไหยเกตสิจังแต่ว่าความคิดความคิดมันเป็นเครื่องยอมจสีเหมือนกับนำสีย้อมได้ถ้าสีเหลืองใดเขาขาวไปย้อมเหลืองไปตามถ้าสีดํากระดาไปตามแดงกรแดงไปตามอันนี้เกเราคิดไหนมันเป็นอยงาัไนล่ะคิดบว่าง่วกันว่าดํามันกระดาไปโดยใหญ่หราสีมันเกิดขึ้นในมันนะ่ะ ยายดำสุดน้ำกันโดกมันย่อมมันทำขันว่าว่าแดงก็แดงขึ้นว่าขาวก็ขาวขึ้นหรือว่าสีว่าผามที่พอดีผาแดงมันก็เป็นสีแดงขึ้นในบ้านทุนเดียวผาผาดำมันก็เป็นสีดำผาขาวเป็นสีขาวผาเหลืองก็เป็นสีเหลืองเดียวสีม่วงสีเหลืองว่าจะมันนึกขึ้นมันก็เป็นอยู่ในบ้านทารลดเมื่อมันเป็นแล้วฮะนี่มันจีเป็นขวบวัด่อบพอละขันชอบเขาอยากว่ารักเกิดขึ้นอีก การเราทสอบมันกับเฉยๆกับนี่นอนในท่านกับนี่แน่เพราว่สอบว่าเข้าใจกับนี่เป็นสารพัดมันเกิดขึ้นถึงแน่นอนมันเราเป็นไปตามมันคิดมันยอมมันนี่ล่ะคัมสอนพระองค์ว่าเป็นหัวใจทีต่ำอะไรนี่เกิดจากที่กัรูปฟังกับคือรู้นี่ล่ะมันเป็นของทสียวกันเก็บมันปวด มันเมื่อยมันหิวมันขั้นมันหอนสารพัดมันเกิดขึ้นมันก็ไปยอมใจัหราอันนี้ก็ดีก่อเอาให้ใจว่าไปตามมันพรมันสืยอมขั้นถ้าว่าขั้นไปตามมันกับภาษามั้นขั้นอยห์ละปกสจของลราอีกร้านนี้ก็ได้แหละเกตสีกีรามันปกมันจิตว่าให้เกิดความสว่าง ตลาดสี่ยุหันลาเอาจะเก็บแคปวดก็ดีแค่อันเป็นยังไม่กระซังมันเราเอกไปบมันหัดจิดมันหันใจนั่นตัวลูกเอาไปบไปทับไปโคบไปขอบปัยญุหัน่มันก็เราฆ่ายุหันแล้วถือเจีย่อมมันก็เลยเป็นไปยุจังสันล่ะฆ่าขันหันเหมือนกับํายอมถียอมแล้วซักพ่อหรือสักออกก็เพรสั้นสั้ มันแาบิบไหวเห็นสิ่งใดนั่นล่ะหาเหม็นจังแค่สีอยู่ห่เนี่อังกฤษยังว่าเกแต่คิดตังมันเป็นเครื่องย่อมเล่าละสีปลายเหตุจังเค่เิริย์ยอมยุหันจิให้เกศตสิ่งนยอมยุหันจิตเราเชื่ห้ยเกศแ้วสางได้จังไดเนี่ยหามันแก้ใสได้จังไดเนี่ยหามันนี่งาคือได้จังไดมันถื่อมย่อมเื่ มันซักกันยุ่งยังแสบนั่นละ่ะนิป้านะมี่ที่ซับปา่าถานิผ่านนิผ่านอะเรามาแก้พวกนี้เรามาฟอกพวกนี้เราออกให้มันขาวา น, า น, นิผ่า น, นแปลว่าดับนิผ่านมันพ่นแปลว่าศูนย์ก็ว่าแปลว่าศูนย์พ่นซักลูกเปียดนั้นก็ให้ใหเข้าเฮ็ดศูนย์ เ็นเลข10แล้วก็เฮ็ดเหล็กหนึ่งเอาศีลมาใชมนต์มนตบฤทธิเนี่ยเหล็กหนึ่งขนาดแล้วมันศูนย์ไปยังสัตวแล้วว่าศูนยศูนย์เห่นเห็นึังสัตน์ีมันเห็นโยแต่มันหักว่ามีสมุดไปว่าหนึ่งสองไปได้แล้วว่าศูนย์ศูนันใดแล้วมาแก้เกมแาเอาปอกว่าเกจสัตว์ศ มันราต่างๆเนี่ยมันเกิดรักเกิดสร้างออกซะคันออกมันรักมันก็เรียกว่าศูนย์ละอวกั้นแต่ว่าตัวรูยั่งอยู่หรืว่าเป็นมีพ่านอะไรแต่ว่าดับพออื่นมันไม่มีตาแล้วมันไม่จะเห็นอยู่รูอยู่มันเป็นของใสเป็นของเกิดง่ายเกิดอยู่มันหักผมี่คือว่านี่พ่านเหตุนั้นใจเนี่ยมันไม่หลาย ขันมันหลบโก๋หลงกับเป็นคนเมาขันหากว่ามันห้มันเฮิ่นกว่าใจโก๋ขันหากว่ามันหายหรืขาดข้นขาสัตว์เขาเออเรียกว่าใจมารกปัญญาหน้าละกะพุกคโรพุกคโรเนี่ยพุคคลนหน้าละกานรกมันว่าแม่นารกไปอยู่บันเื่นดอกมันนารกยุติใจเนี่ยมันพกยุ่นเนี่ย ขันมันนี่เรามันก็ไปนรกสิสายไปอีกล่ะมันกับนี่นรกสายมี่นรกสินมันหลกอยู่สักวันเมื่อมันเป็นนี่นรกเรามันเหมิดทอนมันหอนหอดอยู่เราเออสายมันก็ต้องใส่สระนรกมันนี่อีกนี่แค่นั้นแค่ว่าขันเราอยากดับนรกสำหรับใจปัจจุบันใจมันตกอยู่หันมันนี่อยู่แกให้มันเย็นให้มันสบายอยู่หรือว่ได้ไปรงนรก แค่นั้นยังเพียงจะได้สมรรถสัตวดากระ่บิดไปแล้วจิตทั้งอารกไปจักใมิดดีแล้วบ่ได้ไปแล้วศีลบ่าไปไปลบาทาความชัวผิดบ่ขยูว่าหลังได้ทําอยู่ก็ยังสิได้รับผลของการนั้นไปอยู่ไปตกปุกติอ่ะไปนรกไปสป็นปีตเป็นก้นสวสาละมกพิบัติการจะฟางังจะได้รับอยู่ถ้าหากเอาได้รับสมรรถสัตวดาขาดเมดกรรมทั้งหลวง ีัว ก, กระแสที่จะไปปฏิผ่านเรืลเล่องเนี่ <c oughs> นั่นจังว่าเราต้องเป็นผู้แก้เมมออยากไปภาสดาวออาพานนายังใดเตาเนี่ยฟอกมันใจเนี่ยให้มันเห็นแก้มขึ้นจนมันว่างมันได้ยายมันนี่สันชาความรักย า, ากยมัี่ทนาสาความโกรธย่ายมีชินามิซากความมองเห็นอน อย่าให้มันนิรุตจับทุ่งซ่านอย่าให้มันนี่ริกิสสาแก่อย่าให้มันนี่เนี้นมันเกิดเอามันน่นลหละเป็นเช่องแก้มันอ่ะยางได้กล่าวแล้วยามเช้านี่ยกับเพื่อเสพอยู่แล้วว่ะไฟใหม่ในเมืองไหนเอาน้ำในเมืองนอแมงมันนอตาบอดในเมืองไหนเอายาในแมงมันใสซนี่เห็นนั่นยางผวังกิดสาเป็นข้อแกงวั่หาน ใหรเกิดอยากลำคั่นวางคิดสารเพราะยัางภานญาติคนัญยาเขามาก่าพระองค์เพิ่พระกาศเรียกกลุ่มขลบเด็บบสาต ความลมีเสิมมีเสิสมเสิมกระลาว้าวพะอนญาตนถ่ายาลูกู้ด ว่าพอโบเป็นข้าวว่าเป็นเครื่องเสียหายก็แล้วไปแต่มันเป็นขัาประมาทเจขวางกระอวดว่าโจของลูโอ่าหนสืบเสือกเง้ยผลจะเสุดไปกินบาตก็พฟานอนไปเห็นลูกจิตถีมาเสบาทเกิดลักจนว่าไปโบได้ทุกขาไปโบไห้ตัวแข็งมัด โบจักเคียร์ยังไรแค่ีหเลยเอิอน่นผานนคู่เป็นอาจารย์เขาอว่าแม่อาจารย์พึ่งแกกว่าพึ่งอยผาโนนพนร่งกลางสัน้นเออฝ้อยใหม่เนี่ยแม่ไงไดเอานำในเมืองนอดเมืองนอดเมืงนันหมอดนะว่างกีดาตาบอดในเมืองแล้วยาอะไเมืองนันใช้นะว่างคิดตายอมเอาเสี่งจิตมัน่น ถ้าให้ไก่ท่านร่อนล่อนละเมิดบ้วนจนออกลูกก้าวขาว่าไปมันพิการมากสนองสิมันโศกปอกบ้อที่ถามใก่เดี๋ยวนี้มันเป็นโรคเป็นไข้เป็นบ้อถามเดี๋ยวนี้เพราะว่าแล้วมันมีทุบไมีร่อนบ้อถามมัไก่ของเราเดี๋ยวนี้มันลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ นั่นแหลวะว่าเพิ่นใช้ยาเปินบอกยากันเพราะว่าคิดสาก็เลยพี่แกหน้าตามแล้วเร่เดินไปได้เนี่ยผลนี่สุดคนอธิบายหลายเนี่ยได้สาเร็จสบายกำละหันเนี่ ย, ยมันเป็นสี่ละเพิ่นอธิบายเรื่องพาด น, นี่ละ่ะให้เป็นผู้มีความเบนัยในมันชกกระโปงให้มันเป็นมีความเบนัยในตัวมันเป็นโลกให้เป็นปผนู้บ่กมีอื่นมา ไข่ป็นถูกสามเมนอื่นมาปิ่นถูกมาเห็ดฟองใดหาหมูใส่กันเอาเรื่องใดแต่นี่มันมุนมนี้มันเต็นขึ้นในมันเห็นหนังยังว่ามุมนี้ไผ่ฟองใดที่พอมีแม่กับร่องทุกร่องอยากไข่พราะแม่มา่วยว่าไดนี่หยาดพี่น้องกับร่องหายหยาดพี่น่องมาเอาเรื่องมกากระไรขันตัวเก็บไว้วยกันเองมัยเป็นยังเรียกว่าเนี่ ว่ายังหนึ่งอ่ะหมาพูดแปลว่าผีเนี่ยกายมันเป็นเกศกระพูดมันเป็นตัวผีมันเป็นของกิกินมันเองเมื่อหากว่าเล่ากินเขาแสบเออเรียกว่ามันรับของเลี้ยงถ้าเราเอาของบอดีเสีนเราแก้วเอาอพิษเอาเกลือมาเลี้ยมมันเอามันบรับเรากว่ามันเข็ดแทกีมันผีบรับของเลี้ยงมันหลุดเลยไฮพูด ถึงสู้จะคล้องหายทุกหารอดนี่เป็นเบาเชิงศีรษะนีพันกัดหายเล่าเพลจะหน้าให้มันเป็นไปเลยเชิงเสี้ยว่าบผิดนั้นยังเร่าผิดใหม่เป็นเงื่อนผิดใหม่เป็นซ่านผิดใหม่เป็นเหล่าเป็นหัวเรากัยังผิดเปลียนบาดฮัทสิเพ็รอุบายแกตัวของแบบผิดว่เปลี่ยนว่าไหนโลกค่าอยู่หันเราอเมนิกาอันนั้นอันนั้นก็เรียกว่าโง่ท่านแล้วเนี่ย สีเป็นสร้างได้ังไหนเนี่ยหรือสีเป็นค้นเป็นลับเป็นฐานเป็นสูเป็นเสาอะไรังไหนเพราะเหตุยังก็เหตุบว่าเปลี่ยนไม่เป็นไม่หรือจไม่เห็ุนี่อ่านวิว่าเปล่นฐานมันเป็นไม่วเ่าเหตยังก็ได้ยิ่งสั้นไม่เห็ุเราขบว่าเปลี่ยนจะไมาเหตุที่ยัง็บ่เปล่นมันก็มีคนอยู่จะเช็ดยังไหนที่ว่าค้นเป็นสูเป็นเ่าเ่อันนี้มันต้องคิดวบายบเป็นสี่หอเลเป็นขี คิดบ้างก็แมนยี่หลีเพราะว่ามันไปฟ้องไผ่บ่อใดมีเก่ามีน่าคุ้มคล้องมีอำนาจลักลับกับผู้ไรก็มุ่นป่าปได้ยู่บัดทับป่าข้อเท็จข้อปล่วยของบุคคลบริหินไผปราบได้เนี่ยพอมันเป็นเรื่องของผีอยู่ของเบียดเบียนอยู่ย ข, ของคนจังจะกลุ่มเบียดนั้นกล่าวไก่ข้อเบียงไว้แล้วอยากกินออกให้ชุ่มขอบไว้ ขันมัหมามากัดกับว่ามันหมากัดไส้ตัวเลไขาคนมากเอาไปกัว่าคนลักนี่บาร์ทัสโซอยากกินมัไปจับขามคขอนใส่หัวมันเพเห็นพูดอดไมาจับหรอเพราะเห็นพูดเอ่ยว่ามันมากัดไกส้ตัวหลุดเลี่เลี่หลดกันใดผีมันรับของเยี่ยงดิเรามันกับว่าสิงซ้อมสิงสู้จกของลา มายเก็ไปคุยด่าขันหาความวิราตมันบรับของเลี้ยงสิงชิบว่ามันดีอยู่มันก็ไรมันที่กินอย่างมันที่กินเจ้าของพราะปันเจ้าของขาดก้เ้ของกินน่นล่ะผลที่เกมันก็ขาดกินตายกะเียกวัวเชือกค้นขาดใกล้ให้มันตายเพลดอาหารกินนั่นล่ะมั่นกันอย่างนั้นนี่พืนพูดอย่างนี้แล้วเก่ามาที่แกหน้าให้มันเป็ยนไปงั้นแตมัน ว่าข้อมาแล้วว่าตัวของเราเป็นที่ว่าอตจาสวะคิจิริศมันเกิดจากความถีตัวไงก้อนชิริศทั้งหลายให้มันออกไปที่ให้มันใสขึ้นที่ไก่ให้มันถือเนี่ยเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นผู้ครอบเกเทศระบาดิยะแต่แมนเอาอย่างนั้นหรอเอาตัวดีแล้ว กระจัวมันเป็นเกล็ดย่อมมันเป็นอัจจาระเกจเสศิมันย่อมเหียมันมืดเก้าอัจจานี่แบบคือตัวมาฟอกคือจังหวัดไผ่ใหม่เนี่ยมังไดเอานามเนี่มันหงดยังวานนึงเดียวนี่เอาตัวฟอกตัวแล้วน้องอันเอาพื้นมาฟอกต้องอีกก็ได้เพราะมันเป็นกล็กันแล้วกับตัวเราก็ะฟืนหรือเอสัตว์มาเกจก็ได้หรือเสียเอาใบไม้ตอนมันเมียวมันกลวน แห่งขอบไปไหม่มุ่นมาที่จะหน้าเขาปรกอบมันกระไดสารพัดยังวัาสพเภษธรรมาท่านทั้งหลายวดใดๆแต่แม้นท่านออกมาที่จาน่าเบิรความรู้แล้วเกวิดความขวางใด่แล้วเอามาที่จ้าน้ามันไปมันทัวโลกพระองค์ว่าโลกวิทูลูกแกมโลกสามภพเพื่อนอะไรี่สิเนี่ ยังว่าพูลรูู้รมากยังว่าเป็นพูู้เลยบุญภูริรู้เสียเปรียบเปียบกับพระองค์ใดสามภพเป็นอย่งางไรสามภพเป็นว่ามนุษสภพมนุษยภพ ว, วาไประด น, น, นรกวาสประหเศษวาสประหตสัตเดลสารเป็นพ่วของมนุษย์มัดเนี่ยทีนี่สวรรคภพสวัสดหกชั้นสังกตสั้นแก่สูประห บาลีมีสัตว์อาวสีนี่ก็เรียกว่าพบหนึ่งเอาลูกประพบพมสีคชันเรียกว่าสันวันพวกกันอนาคาดไปอยู่นี่นั่นเป็นว่าพรมปะพบสามพบเนี่ยพนันธุ์ข้าเลยพบเนี่ยเห็นนั่นแยง่าพระองค์รูม้มั้ นั่นล่ะการลูกเมือนน่อสันไม่ใช่ลูกจะเพียงลูกยางว่าเข้าหมาพ่มมันสว า, ถ า, ถาขาสังฆมั่งวิสุติวิสุติ ม, มี่กินเข้าประกาพ่มเนี่ยว่า จนนั่นเป็นพมบนอะไรนี่พังแล้ ว, วก็เทเข้าพวกพมทังหลายบราไม่ไปสู้ได้สู้ชาวากาพมจังว่าสุขาสิพูสาาพสนนะ้สแกนนัชวิสาทางท่า ม, มั่งมีชุดชีสิตมีทิรยการว่าท่านท่านนั่งพระกาะซื้อหลังผยิ่งสุดเล่ยไจะมาสูก่กระองพระ อ, องค์อะไเพระบ๊โสนี่แหละวัาได้ เป็นพระพุทธเจ้าเลยพระเรสด็จวารชี้หลงมหาพระองค์มาจูบพระองค์ไว้เพิ่นหูจกักฟันแล้วหลวงมาหลบมาถามพ่อเพิ่นรู้แล้วเพวิ่นว่าในหน่อยนึงรถเท่าประกาพ่อปลูกข้าเลยเพิ่นว่าในหน่อยวยนะ่วาอย่างไรว่าการคิดประกาพ่อเปลีย่ยู่คิดร่วมไปจยงเพ่อประนันยู้จังสันเกิไปฆ่ายุงสั น, นตัว เราจะได้เสวาสิปนเอาเป็นพุทธะเป็นิพานใดท่านพูดยังสิท่านเห็นนี่ถือไส่เทาปากกาพกมือจับตัวยู่แล้วเขาลูกจักลูกเชดไก่ตัวยู่แล้วเเล่นว่าพอองว่าสืสุดยาดหลุดซันตัวแข็งคือลู ก, การะ อ, องวกโ พ, ออ ง, พอองเป็นศาสตาเลยนี่นี่อะไรเจ๊งว่าลูกสามพกมันว่าแม่มลูกแต่ตัวยามเข้าลูกคน้นยุในบานไปลูกคน ย, น, น, ค น, ยนเมือง วันนั้นยังซีลูกหอดใจลูกหอดลูกสาราพัดเป็นของบเปลี่ยงกันทั้งวัดเนี่ยพระองค์ลูกอย่างนี้นี่แเหตุนั้นยังว่าเราไปที่แกหน้าไปจียแกฮีไปค่าแตงเซ้าว่าลูกแค่ตอนนี้กันยังค่าเหลือพื่นกันลำบากบ่ลูกพอตดลูกหลายแค่เนี่ยโอ้กูนี่ลูกหลายพกคนทั้งหลายกูได้ลูกกูได้ดอกหวนว่าอีกเหรอเนี่ยว่าลูกหลายเห็นนวลดะโลกะ มันเป็นนวอยจัออยงไหเนี่ยรลิกจัไหร่แล้วมีความพัลลามันมนุษย์ได้สัตว์ไปซกจังไหรเอามาพัน ห, หน้าให้มูพันไหรหรือไม่คันวารูหอดโพสจักบต่ไหน่อยไมัดนีนรกตำ่ำหน่อยไหมมืดแปดด้านนั่นเนี่ยแงงี่เงี่ยเดี่ยวเห็นไหมจังว่าเป็ดผียนเถอะ มันยุ่งใส่แล้วเป็นตวนัวมัไดนมิดีเกยตัวไปเป็นเพดเป็นขีมันขึ้นไกยังไงล่ะใกตัวไปนรกขึ้นไกยังไล่ะมีดีมีแต่ดีทั้งมัดใช่ว่าดีอย่างไยสีนรกไม่ดีเป็ดหรือดีสัตย์เ ด, ดียรสาห ล, ล่ะหรือดีบาดีบอบ่หุ่จักดีดีคิดไปแล้วว่าแตดีทั้งมดเนี่ยเราบอกแล้วนะเนี่ยอุตส่คิดแล้วคิดเป็นบา ขันมันเป็นหลายบ้าสแท้ๆเราบอกแล้วเราจักไหมล่ะมันเป็นหรือเ่าเป็นนั่นน่ะที่ที่ใช้คิดคิดเป็นบ้านั่นน่ะแล้วก็บอกเยี่ยงซี้ล่ะขันบาว่าเึงปัณณ์นี่เราโบกจักเราเพิ่งลาติดตัวเป็นบาสรือว่าเจะดีอยู่เสมือว่าปันณ์เห็นจมูกเมืองสับูเนี่ยเนี่ยยังว่าได้ดีดีอยู่หรือไม่ฮะเนี่ยนี่ล่ะจว่ามืดหรือว่าอัน แย่แล้วเนี่ยมันพอปั่นกันก็ว่าทั้งดับตาทึ้งมูนํามใช่ไหมอันนี้เนี่ยหลุดเดียวเมื่อค้าหาปั่นสัตว์โชลกกับตาดรกแล้วคําเห็นยังสิว่าแม่นเห็นครับบเห็นแล้วว่าบุญเห็นย่าเงี้ยมันมืดหลายอ่ะนี่เห็นนั้นเห็นนั้มันก็ให้พี่เจ้าหน้าที่ขันว่าลู้หลายให้มันเห็นเมืทีกี้พ่อบอกโลงเสียยวนรกงเสี่ย แล้วกาบายบโลกจิ้งเสียใหมยย้มันเห็นที่มนุษย์สโลกจิงเสียบให้มันเห็นที่ให้มันทอรพระองค์มัก็น่ะพรองมารูปสามภพลแล้วกันมันหมดที่สามภเนี่ลนะ่ะยังเ้วาภูได้หยอดอธิธ ร, ร้ำเนี่ยยังเสวาภูได้คิดตังรู้เห็นคิดได้คิดแล้ว เกศสิคังในรูแล้วฟ อ, อกออกแล้วรูฟังรูแก้งแล้วรูตจวบุกตจวบเกลุกเกิดไพ่มีผ้าห น, น้ามีจีเสพตาว่างหม ด, ดแล้วงั้นยังเหตุเรียกตึงเรศสองกระทำเอาศูนย์ใจลึบแล้วตัวเรศยังใด้ศูนย์เห็นยยงแต่ว่าว่าเห็นว่ามัน ว่าศูนย์ว่เห็นเห็นอยู่อันนี้รูนั่นมีอยู่จวงข้ามหล ง, ลลงหลักสร้างถ้าไม่ศูนย์มัดละสิ่งเหเราเห็นว่ามันเป็เทียงเห็นว่ามันเป็นจวดอนาาัตตาเป็นของศูนย์ไม่มีตัวตนว่าเป็นอีหยังว่าใดว่าเป็นเขาว่าใดผู้ดใดตายหละ่ะว่เห็นว่าเอาชิ้นตัวใดไปนไั่มใดเกิดมากก็เห็นเอามานั่ม รูปวาวของขุนว่ามันของตัวยู่กันสั่นว่าตัวใดว่าตัวมี่ว่าใดกรบดนี่เมื่อเห็นจังซี่หละจังสีว่าเป็นผู้ใดในหวัวใจฝ่ายที่ซ้ำเห็นนั่นจงให้ภาพกันพิจารณามันเห็นอย่างนี้มันจังซีใดของยินและของกระสือของสุขุมลุ่มเลือดนี่ นี่ละเป็นาศาสนาขั้มขั้สอนของพระพุทธเจ้าตร้างซกันมาเนี่ยยินเลฟังจงจดจําไปคลึกกองไปพิ่เจนายลูกเก่งยิ้งเก่งขึ้นขีดใจให้สร้างใจปฏิบัติกันโย่ด้บุญอยู่เ ม, มื่อได้เสวะผู้อยู่เดิมข้อม่ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระสมณะสามพุทธเจ้าญญกุศลกิริยาร ตังได้รับทานอิสเชนนามาเอวังก็มีด้วยพระกาลเชนี้าชาวาติภะฮาปุราภิริ e ูเรนติสครางเอวามิโรอิโตินังเนางุปกับ ดิต่างปฏิต่างตัวงขังกิปามีวัสมิจตุสเพปุเรุสังกะปาจันโตปนานาโสยธรรมนิโชติราโสย้าสิติโยอิวัจันตุสปารโนสตุมาเทปวัวันตรโยกุขีเีกายุโกพอภิวาตนาสีลิสานิจังุท่าปจายโนกิตรโรธรมมาวัชันติอายุวันโนสุขัง Ah, a a